คนดีทำความดีได้ง่ายทำชั่วได้ยากส่วนคนชั่วทำความชั่วได้ง่ายทำดีได้ยากพระพุทธพจน์ เราก็มามีนัดกันเหมือนเดิมนัดกับสตินัดกับความรู้สึกตัวก่อนที่เราจะมาปฏิบัติมาเจริญสติมาทาความดีขอให้เรามาทำความเข้าใจสักนิดหนึ่งเพื่อให้ถูกตรงกับเป้าหมายของการเจริญสติการเจริญสติเนี่ยเราต้องมีหลักง่าย ถ้าเราศึกษาเรื่องสติเราจะเข้าใจว่าไม่ใช่อยู่นอกตัวเราเลยสติมีแล้วอยู่ในตัวเราในจิตในใจของเราเนี่ยเพียงแต่ว่าเขายัางเป็นสติตามสัญาติยานเป็นตามธรรมชาติแต่ยังไม่ได้พัฒนาสติจึงจะไม่ค่อยมีกําลังแต่ ถ, ถ้าเรา มาพัฒนาสติซึ่งผู้ฟังทุกคนเนี่ยมีอยู่แล้วพัฒนาตัวเนี้ยสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้มันจเจริญงอกงามขึ้นมาเนี่ยก็จะใช้ประโยชน์ได้จะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในชีวิตของเราก็ได้เพราะว่าถ้าเรามีสติมีความรู้สึกตัวที่มากขึ้นมากขึ้นมันจะใช้ประโยชน์ได้อย่างชัดเจนเลย การมีสติทำให้จิตใจเราเนี่ยมันเกิดปัญญาแก้ปัญหาชีวิตได้เพราะอะไรเพราะว่าทำให้เรารู้จักตัวเราเองรู้จักชีวิตรู้จักธรรมชาติรู้จักคนรอบข้างรู้จักโลกตามที่มันเป็นตามที่มันจริงเราจะได้มีชีวิตที่อยู่กับตัวเราอยู่กับผู้อื่นอยู่กับ โรคแล้วก็สิ่งแวดล้อมอย่างกลมกลืนแล้วก็ไม่มีความทุกข์เราจะปล่อยวางสิ่งที่ไร้สาระของชีวิตของเร า, าเช่นอบายามุกบุรีสุลาเนี่ยถ้าเรามีสติแล้วเนี่ยเราจะรู้ทันเหยื่อของโรคพวกนี้เพราะว่าเหยื่อของโรคนี้ไม่มีอะไรคือสิ่งที่เรายึดติดในสิ่งที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้น ทางกายทางใจในส่วนที่เราชอบใจพอเราชอบใจสิ่งใดที่มากระทบเนี่ยเราก็หมดเนื้อหมดตัวไปกับสิ่งเหล่านั้นเพราะขาดสติขาดปัญญาแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราจะรู้เท่าทันว่าอ๋ออันนี้คือเหยื่อถ้าเราไปยึดติดเข้าเนี่ยเราจะเป็นทุกข์เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันมีทุกข์มีโทษในตัวเขาอยู่ เราจรึงต้องมาสร้างตัวนี้สร้างตัวรู้สร้างความรู้สึกตัวเนี่ยให้รู้ทันในเหยื่อของโลกเราต้องมามีรูปแบบของการปฏิบัติรูปแบบการเจริญสติเนี่ยผู้ที่ทําใหม่ๆฝึกใหม่ๆเนี่ยต้องอาศัยสักหน่อยเมื่อเราทําเป็นแล้วเราก็ไม่ต้องใช้รูปแบบเราปล่อยไปได้เลยไม่เหมือนกับการจะเขียนหนังสือ จะเขียนหนังสือเนี่ยเราต้องมีเส้นมีบรรทัดมีแบบให้เราฝึกเขียนบางทีก็ต้องเข้าโรงเรียนเหมือนกันนะแต่พอเราเขียนเป็นแล้วชำนาญแล้วเนี่ยเราสามารถเขียนหนังสือโดยที่ไม่ต้องอาศัยเส้นบรรทัดเขียนที่ไหนก็ได้อั น, นี้คือความชนานาญการเจริญสติก็เหมือนกันถ้าอยากทำให้สติมันจเจริญ ก็ต้องอาศัยรูปแบบเอากายเอาใจของเราเนี่ยที่มีอยู่แล้วในตัวเราเนี่ยเอามาเป็นรูปแบบมาเป็นอุปกรณ์ปลูกสร้างสติให้มันเจริญขึ้นมานผู้ที่ปฏิบัติใหม่ๆก็ลองมาสนใจที่เรื่องกายก่อนเพราะกายเนี่ยมันรู้ได้ง่ายเห็นได้ชัดอาจจะเป็นลมหายใจหรือที่การเคลื่อนไหวของร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งให้มันชัดตรงนี้ก่อน แล้วต่อไปเรื่องของจิตเรื่องของความคิดอารมณ์ต่างๆที่มากระทบบริสุทธิ์ที่ละเอียดมากเราก็จะรู้ทันไปเองพียงแต่เราลองมาเอานิ้วชี้นิ้วกว่า ม, มือถูกันเบาๆอันนี้เป็นรูปแบบอย่างหนึง่งถูกันเบาๆสบายๆอันนี้ก็คือรูปแบบง่ายๆเห็นไหม ถ้าเรามีความรู้สึกตัวอยู่กับการสัมผัสของนิ้วมือทั้งสองนิ้วเนี่ยถ้าเรามีความรู้สึกตัวในขณะปัจจุบันนั้นเนี่ยสติเกิดแล้วเราเคยไหมเราเคยมารู้สึกตัวแบบนี้ให้ต่อนนานานเนื่องกันนานๆแต่ถ้าเราทำนานๆเนี่ยมันจะมีผลมากนะสติมันจะเจริญขึ้นเรื่อยๆให้เรารู้ง่ายๆ รู้สบายๆรู้เฉยๆไม่ต้องใช้ความคิดอะไรกับการปฏิบัติสังเกตดูสิว่ามันจะมีความคิดอะไรเกิดขึ้นไหม mm hmm. เมื่อรู้ใหม่ๆเนี่ยความคิดจะไม่เกิดขึ้นหรอกแต่พอเรารู้เป็นนานๆเนี่ยสตินี้มันก็ไม่เที่ยงมันย่อมขาดหายไปบ้างแต่พอเขาขาดหายไปเนี่ยความคิดก็จะแทกขึ้นมาทันทีเลย อันนี้คือชีวิตของเราส่วนหนึ่งคือความคิดเราอย่าไปห้ามเขานะความคิดถ้าเราไปห้ามเขาเนี่ยจิตจะเครียดทันทีเลยเพราะธรรมชาติเขาต้องคิดแต่ตอนนี้เรายังไม่ต้องใช้ความคิดก่อนเราจะอาศัยความรู้สึกตัวก่อนเราก็อย่าไปสนใจผู้ที่ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยให้ทิ้งความคิดตรงนั้นซะก่อนฝึกตรงนี้ก่อนทิ้งความคิด กลับมาเจตนารู้อยู่ที่มือกำลังกระทบการเคลื่อนไหวที่ดีมือให้รู้ตรงนี้ก่อนพอสติจเจริญแล้วเนี่ยเราค่อยกลับไปดูความคิดก็ได้เพราะว่าตอนนี้สติเรายังไม่เข้มแข็งถ้าเราไปดูความคิดไปจ้องความคิดจิตเราเจะถูกดูดไปกับความคิดเลยผู้ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยก็ยังไม่สนใจให้กลับมารู้ที่กายก่อน ให้ชานาญที่กายก็แต่ผู้ที่ปฏิบัตินานแล้วชานาญแล้วก็อาจจะใช้สติไปสังเกตความคิดก็ได้อันนี้คือผู้ที่คิดว่าชํานาญแล้วสังเกตเฉยๆนะอย่าไปจ้องดูเขาถ้าเราไปจ้องดูความคิดเราอาจจะถูกความคิดมันดูดกลืนไปกับอารมณ์ต่างๆก็ได้ให้สังเกตอยู่ห่างๆําเลืองําเลือง เป็นการดูความคิดขั้นต้นๆแบบง่ายๆแล้วเราก็กลับมารู้ที่การเคลื่อนไหวอย่าไปห้ามแต่เราให้รู้เท่านั้นเองอย่าไปเอาเหตุเอาผลเฮ้เราจริตสติรู้กายมันจะไปเห็นจิตเห็นใจได้อย่างไรเห็นความคิดได้อย่างไรศาสนาธรรมเนี่ยอยู่เหนือเหตุเหนือผลอย่าไปเอาเหตุเอาผล ความคิดก็จะปรุงแต่งมากขึ้นอย่าไปเอาถูกเอาผิดในการปฏิบัติหรือการใช้ชีวิตของเราเนี่ยการเจริญสติเรามักจะคิดว่าเวลามันเกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมาเรามักจะปรุงว่าโอนี่ผิดแล้วผิดแล้วการปฏิบัติผิดแล้วเรามันเกิดความง่วงขึ้นมาผิดแล้วปฏิบัติผิดแล้วไม่ใช่หรอกเวลาเราเกิดความสงบเกิดปิติยินดีโอ้นี่ถูกแล้วถูกทางแล้ว ไปเอาผิดเอาถูกเนี่ยจิตก็จะไม่เป็นปกติสัจธรรมเนี่ยธรรมะเนี่ยอยู่เหนือผิดเหนือถูกเราเกิดความฟุ้งซ่านเกิดความง่วงเราก็มีสติรู้ไว้เวลามันสงบมันเกิดปิติชอบใจเราก็มีสติรู้ไว้ใช่ไหมมีแต่รู้คิดก็รู้สงบก็รู้แล้วตัวรู้ก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อย อย่าไปเปรียบเทียบคนนน้นปฏิบัติดีเราปฏิบัติไม่ดีอย่าไปเปรียบเทียบอย่าไปเปรียบเทียบว่าเมื่อวานปฏิบัติดีกับวันนี้วันนี้ทำไม่ดีเลยทำไมชีวิตเราวันนี้จึงไม่ดีเหมือนเมื่อวานเนี่ยมเมื่อวานก็คือเมื่อวานวันนี้ก็คือวันนี้ให้รู้ <laughs> ปฏิบัติไม่ดีก็รู้ว่าไม่ดีปฏิบัติดีก็รู้ <laughs> คอยรู้อย่างเดียวชีวิตของเราเจิตจะเบาสบาย อย่าไปอยากรู้อยากเห็นอยากมีอยากเป็นจิตจะฟุง้งซ่านทำแบบสบายๆแบบปล่อยๆวางๆรู้ก็เอาไม่รู้ก็เอาคือยอมรับทั้งสองฝ่ายการยอมรับในจิตเราจะสบายอย่าอยู่นิ่งๆพยายามเคลื่อนไหวว่ากระดิกนิ้วพลิกมือเคลื่อนไหวว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยทำให้สติเขามีงานทา สติมีงานทำจิตใจเราจะไม่เลื่อนลอยเห็นไหมคนที่ทำงานแล้วจิตใจเลื่อนลอยเนี่ยมันทต้องหยุดนิ่งเลยนะเผลอจิตใจเลื่อนลอยฟุ้งไปในอดีตไปในอนาคตสติหรือจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวการเคลื่อนไหวอยู่เสมอๆเนี่ยการนิ้วพลิกมือจะช่วยให้สติเนี่ยมันเกิดขึ้นที่จิตเกาะที่จิตอยู่ที่กายของเราเนี่ย สติก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นความเพียรของเราเนี่ยแต่เราสามารถปฏิบัติได้เลยในชีวิตประจำวันเพราะชีวิตประจาวันของเราเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวอยู่แล้วเรานั่งเฉยๆก็ยังมีลมหายใจที่เคลื่อนไหวอสติเกาะไว้จะจับจะช่วยจะดื่มจะเคลี้ยวให้เรารู้สึกตัวเจตนาเคลื่อนไหวสักหน่อยเจตนารู้สักหน่อยอันนี้แหละสติจะพัฒนามากยิ่งขึ้น แล้วเราก็นำเอาสิ่งเหล่านีน้คือการจริตสติอยู่เสมอเสมอมาใช้กับชีวิตประจำวัน